จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส5ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 3เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการ ดูแลรักษาจิตใจให้ร่มเย็นเป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าเพราะจิตใจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายร่างกายเป็นเพียงส่วนสนับสนุนแต่ตัวที่สำคัญก็คือจิตใจผู้สร้าง ทั้งความสุขและสร้างทั้งความทุกข์คือการกระทําถ้าคิดไปในทางไม่ดีก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดไปในทางที่ดีก็สร้างความสุขขึ้นมาแล้วก็ความสุขและความทุกข์นี้จิตใจก็เป็นผู้รับเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รับผลจิตใจจึงเป็นตัวที่สำคัญที่สุด ร่างกายนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมากนะักนอกจากเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นรถยนต์คันหนึ่งคนขับนี่เป็นจิตใจส่วนรถยนต์นี่เป็นร่างกายเวลาขับรถไปชนคนตายตำรวจเขาไม่เอาเรื่องกับรถยนต์เขาเอาเรื่องกับคนขับเขาไม่จับรถเข้าไปขังในคุกในตาราง แต่เขาจะจับคนขับไปขังคุกขังตารางเพราะผู้กระทำคือคนขับนั่นเองรถยนต์เป็นเพียงเครื่องมือเป็นลูกน้องทําตามคำสั่งของคนขับใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราเป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปเมื่อทำแล้วใจก็ต้องรับผลบุญผลบาป ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็จะได้รับความสุขหรือความทุกถ้าทำบุญก็ได้ความสุขถ้าทำบาปก็ได้ความทุกพอตายไปตำรวจก็จะมาจับไปทั้งลงโทษต่อตำรวจทางจิตวิญญาณคือโยมพบาลจะมาจับไปลงนรกต่อไป ถ้าทำบาปถ้าทำความดีทำบุญเทพเทวดาก็จะมาเชิญไปอยู่บนสวรรค์เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นอย่าไปคิดว่าการทำบุญหรือการทำบาปแล้วไม่มีผลตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะว่าเราไม่มองไม่เห็นกายทิพย คือจิตใจของเราจิตใจของเรานี่แหละคือกายทิพย์ผู้ที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกหรือไปพระนิพพานก็คือกายทิพย์อันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทาของกายทิพย์คือจิตใจว่าจะคิดดีหรือคิดชั่วคิดดีแล้วก็จะพูดดีทำดีตามมาคิดไม่ดีคิดบาป ก็จะพูดบาปแล้วก็ทำบาปตามมาเมื่อทำไปแล้วผลก็จะสะสมอยู่ภายในจิตใจทำบุญจิตใจก็จะผอมใสจามีความเจริญเพิ่มขึ้นไปทำบาปจิตใจก็จะเศร้าหมองแล้วก็จะมีเสื่อมลงลงไปมันจะสะสมไปตาม ปริมาณของบุญและบาปที่ทำเหมือนกับการเอาเงินเข้าฝากธนาคารหรือไปกู้เงินจากธนาคารถ้าเอาเงินไปฝากในธนาคารยอดเงินฝากก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับถ้าไปกู้เงินจากธนาคารยอดหนี้ก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับนี่นี้ไม่ดีเพราะหนี้นี้จะต้องใช้คืน บุญนีดีดดพอจะได้ทั้งดอกและได้ทั้งต้น <c oughs> เวลามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินใช้ทองก็าสามารถไปเบิกออกมาใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเป็นหนี้ถึงเวลาก็ต้องเอาเงินที่หามาได้อย่างแสนลำบากไปใช้หนี้ถ้าไม่ใช้หนี้ก็จะต้องถูกยึดทรัพย์ ถ้าไม่มีทรัพย์ให้ยึดก็จะต้องถูกดำเนินคนดีถูกติดคุกติดคลาลายเป็นคนล้มละลายไปเป็นคนที่ไม่มีฐานะทางเงินทองนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์และสัตว์ทุกๆ ไรสัตว์ก็มีใจมนุษย์ก็มีใจสัตว์ก็ทำบุญทำบาสมนุษย์ก็ทำบุญทำบาบแล้วก็รับผลของบุญของบาปไปร่างกายนี้ไม่สำคัญอะไรร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ติดต่อกัน ถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่เขามีโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่มีร่างกายได้เชน่นเวลาเราตายไปแล้วเราอยากจะคุยกับสามีคุยกับภรรยาคุยกับบุตริดาคุยกับเพื่อนเราก็จะไม่สามารถทำได้ เพราะเราไม่มีเครื่องมือเราก็ต้องรอให้มีร่างกายก่อนถึงจะสามารถติดต่อกับร่างกายของผู้อื่นได้ร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงมันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอาการ3 2ที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าหลงรักไม่น่ามีความกำหนัดยินดี ร่างกายนี้ถ้าเราดูให้ครบส2สองอาการแล้วเราจะไม่อยากจะอยู่ใกล้เพราะมีแต่สิ่งศสโปรกถ้าเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นเนื้อเห็นกระดูเห็นเอ็ดเห็นตับไตไส้พงุงเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นสิ่งศสโปรกทั้งหลายที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง ถ้าเราเห็นร่างกายครบอาการ32เราจะไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ทางเพศคือจะไม่อยากจะมีภรรยาหรืออยากจะมีสามีไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นเพราะร่างกายนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่คนทั่วไปเห็นกันเพราะคนทั่วไปนี้ เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเองเหมือนต้นไม้เราเห็นเพียงลำต้นเห็นใบเห็นดอกเห็นผลแต่เราไม่เห็นรากที่อยู่ใต้ดินฉั้นใดร่างกายนี้เราก็เห็นเพียงห้าส่วนเท่านั้นเองก็เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังพอเห็นห้าอย่างนี้ ก็หลงว่าสวยว่างามขึ้นมา น, น่ารักน่ายินดีแต่ไม่เห็นอาการอือื่นไม่เห็นเนื้อหลังเอ็นกระดูไม่เห็นหัวใจตับปอดลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าไม่เห็นน้ำเลือด น, น้ำเหลือง น, น้ำหนองน้ำเสเละน้ำลายน้ำมูกนี่คือ สิ่งที่เราไม่เห็นกันถ้าเราเห็นแล้วเราจะไปหลงรักได้อย่างไรเราจะไปอยากมีความกำหนดยินดีกับร่างกายนี้ได้อย่างไรที่เรายังมีความกำหนดมีความยินดีก็เพราะเราไม่เคยเห็นอาการอื่นๆนอกจากอาการทั้งห้าเท่านั้นเอง แล้วเราก็มองไม่ทะลุอูปลมมองเพียงแต่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นเองเช่นเวลาเห็นหน้าตารูปร่างใครน่ารักก็เกิดความรักขึ้นมาไม่ได้คิดว่าร่างกายนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างไรตอนออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเป็นอย่างไรแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่า จะสวยจะหล่ออย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือจะค่อยๆแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นคนแก่ไปกลายเป็นคนตายไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่พวกเราไม่ได้ศึกษากันไม่สนใจไม่ให้ไม่สอนใจให้ฉลาดพอใจไม่ฉลาดใจก็โง่ใจก็หลง ใจก็ยึดติดกับร่างกายของตนเองและของผู้อื่นเวลาร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเวลามองหน้าที่ในกระจกเห็นสิวฝ้าโผล่ขึ้นมาเห็นเล็บกาโผล่ขึ้นมาเห็นหนังเหี่ยวย่นลงไปเห็นผิวพรงลงไป ก็เกิดอาการวิตกก็ต้องไปตามคลินิกคลินิกที่เขารักษาผิวหนังต่างๆเพื่อที่จะให้สวยให้งามเหมือนเดิมแต่คลินิกไหนก็ตามจะไม่สามารถรักษาไปได้ตลอดรักษาได้เดือนสองเดือนเดี๋ยวมันก็กลับม า, มาและจะต่อไปก็จะรักษาไม่ได้ เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเราต้องมองร่างกายของเราและของผู้อื่นให้ทปปปปะลุผุดเปลดให้มองทั้งอดีตมองทั้งปัจจุบันและมองทั้งอนาคตที่จะตามมาให้มองทั้งข้างนอกและมองทั้งข้างใน ให้มองให้ครบทุกอย่างรับรองได้ว่าเราจะฉลาดเราจะไม่หลงยึดติดกับร่างกายเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายอยู่คนเดียวนี่สบายกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนก็ต้องมีภาระต่อกันไม่เป็นอิสระอยู่คนเดียวนึกจะทำอะไรก็ทำได้ จะไปไหนก็ไปได้แต่อยู่สองคนต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่อนุญาตก็ไปไม่ได้ถ้าไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ถ้าทาก็ต้องทะเลาะกันก็ต้องมาร้องผมร้องห้าเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่ได้นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การอยู่คนเดียวนี้ถ้าไม่มีอารมณ์กาหนักแล้วจะไม่รู้สึกเหงาว้าเหวยที่ยังที่นี้อารมณ์อยู่ก็เพราะว่าใจชอบปุงแต่งภาพสวยๆงามงามๆขึ้นมาหลอกคิดถึงแต่คนสวยคิดแต่ถึงคนที่รูปหน่าดีผิวพรรณสวยงามพอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์อยู่คนเดียวไม่ได้เกิดความว้าเหวยขึ้นมา แต่ถ้าคิดถึงความไม่สวยไม่งามคิดถึงอาการส2สองของร่างกายอยู่เรื่อยๆคิดถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกคิดถึงโครงกระดูกพวกเราทุกคนนี้มีโครงกระดูกอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ทำไมพวกเราถึงกลัวกันนักเวลาเห็นโครงกระดูกร้องว่าเห็นผีแล้วที่เรามีอยู่ในตัวเรานี้มันไม่ใช่เป็นผีหรอือมันเป็นอะไร เป็นนางงามเป็นดาราภาพยนต์เป็นนายแบบเป็นนางแบบกันแต่ไม่เห็นโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังกันคิดว่าเป็นนายแบบนางแบบนางงามจักรวาลกันเป็นดาราภาพยนต์ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นผีเดินได้เป็นผีดิเป็นผีที่ยังหายใจอยู่เป็นผีที่รอเวลาที่จะกลายเป็น ผีจริงก็คือเวลาหมดลมหายใจไปแล้วเวลามีลมหายใจนี้อยากจะนอนร่วมกันพอหมดลมหายใจแล้วจ้างให้นอนก็ไม่เอาทาั้งทั้งที่ก็เป็นคนเดียวกันมีอาการสาสิสองเหมือนกันทุกอย่างแต่ทำไมนอนด้วยกันไม่ได้พอตายไปไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ก็อยากจะหนีให้ห่างไกลไปแล้วไม่อยากจะอยู่ใกล้ เพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดเพราะไม่มีปัญญาไม่มีเหตุไม่มีผลมีแต่อารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชางนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหลงถ้ามีปัญญามีความจริงจะตายหรือจะยึบจะเป็นก็อยู่ได้อยู่ใกล้กันได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็เป็นร่างกายอันเดียวกัน นอกจากถ้ามันเน่าเฟะขึ้นมาก็อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่ากิ่นมันคงจะไม่น่าพึงปรานาแต่ร่างกายมันก็เป็นเหมือนเดิมมีอาการ32เหมือนเดิมเพียงแต่มันเปลี่ยนสภาพลงไปจากผิวพันธุ์ที่ผ่องใสก็บวมขึ้นมาน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆก็ไหลออกมาแล้วไม่นานก็จะแห้งกรอบ เมื่อเน่าเกิยไปหมดแล้วก็จะแห้งกรอบในที่สุดก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายของคนทุกๆคนและสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเป็นเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่สวยงามถ้ามองให้ครบให้มองอย่างทะลุปลุกป่อมองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยอารมณ์ ถ้ามองด้วยอารมณ์ก็จะเห็นแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันไม่คิดถึงภาพที่เป็นในอดีตหรือเป็นในอนาคตเช่นเราเห็นคนข้างนอกบ้านเขาแต่งตัวสวยงามกันใส่เสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าแต่เราไม่มองก่อนที่เขาจะออกมาจากบ้านว่าเขาเป็นอย่างไรเวลาเขาตื่นขึ้นมานี้หน้าตาเกาเป็นอย่างไร ผมเท่าเขาเป็นอย่างไรไม่ได้อาบน้ำอาบท่าแล้วกปลิ่นตัวเขาเป็นอย่างไรเราไม่คิดกันเราคิดแต่ตอนที่เห็นเขาอาบน้าอาบท่าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นว่าเขาสวยเขางามขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าเราไม่ฉลาดเมื่อเราไม่ฉลาดเราก็เลยตกเป็นทาสของความโง่ของความหลงหลอกให้เรารัก แล้วหลอกให้เราต้องแบกกองทุกข์กับคนที่เรารักต้องอยู่กับเขาต้องทะเลาะกับเขาต้องห่วงเขาต้องหวงเข า, ต, เขาต้องร้องโหงร้องไห้เวลาเขาจากเราไปเพราะว่าเราโง่เราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราไม่ศึกษาธรรมชาติของร่างกายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้พวกเราศึกษากันเราจึงต้องทุกกับร่างกายของคนอื่นและทุกกับร่างกายของเราเองแต่ถ้าเราศึกษาธรรมชาติของร่างกายที่ไม่เที่ยงมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาที่ไม่สวยไม่งามที่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ พ่อแม่ไม่ได้เป็นร่างกายตัวของพ่อแม่ก็คือใจเวลาร่างกายของพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่ก็ต้องไปรับบุญรับกรรมไปหาร่างกายอันใหม่ไปเป็นลูกแทนที่จะเป็นพ่อแม่ก็ต้องไปเป็นลูกเป็นเหมือนเล่นละครพอละครเรื่องนี้จบแล้วก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ต่อเปลี่ยนโลน ออกจากโรงนี้ก็ไปโรงใหม่ไปพบใหม่ชาติใหม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็ต้องไปเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปใหม่จากลูกพอโตขึ้นก็เป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นทวด นี่เป็นสมมุติไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือใจนั้นเป็นผู้เล่นละครโดยอาศัยใช้ร่างกายนี้เป็นตัวละครเหมือนกับเป็นหุ่นใจเป็นผู้เชิดหุด่นเป็นผู้สั่งให้หุ่นพูดให้ให้หุ่นทำแต่หุ่นนี้มันไม่จีรังถาวรมันไม่อยู่ไปตลอด แล้วไม่งานมันก็ตายไปพอตายไปแล้วผู้เชิดขุนผู้เชิดร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปเชิดใหม่ก็เล่นละครอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านโรงแล้วนะเล่นมาอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปเรื่อ ย, ร, อยระหว่างที่เปลี่ยนโรงก็ต้องแวะไปใช้หนี้ถ้าทำบาปก็ต้องแวะไปนรกบ้างต้องไปเป็นเปรตบ้างต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้าง พอหมดนี่แล้วก็กลับมาเล่นละครใหม่มาเกิดเป็นคนใหม่ถ้าถ้ามีบุญเวลาเปลี่ยนโรกก็แวะไปสวรรค์ก่อนไปอยู่สวรรค์ไปเป็นเทพบ้างไปเป็นพรหมบ้างพอหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเล่นละครใหม่มาเป็นลูกใหม่แล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็น ผู้ใหญ่เป็นสามีเป็นภรรยาก็เล่นกันอยู่อย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแนละ้วนี่คือความหลงมันจะพาให้เราวนเวียนอยู่อย่างนี้ร่ำไปแต่ถ้าเราฉลาดเรารู้ว่าใจนี้เป็นตัวเราเป็นตัวที่สาคัญที่สุดและตัวที่จะให้ความสุขกับเราถ้าเราสอนให้มันทำแต่ความดีเช่นพระพุทธเจ้า ท่านฉลาท่านรู้ว่าใจนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดท่านจึงกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาใจนี้เท่านั้นท่านสละทรัพย์ท่านสล ะ, ะอวัยวะสละชีวิตสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ธรรมะคือความดีจนทําให้ท่านได้พระนิพพานมาเป็นผลตอบแทน หลังจากที่ด้านได้ทสงบัมเพนความดีทั้งหลายมาเป็นเวลาอันยาวนานเช่นท่านทรงบัมเพ็ญทานบารมีคือการให้มีอะไรก็ให้ไม่เสียดายเก็บเอาไว้เพียงส่วนที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นส่วนที่ไม่จําเป็นก็ให้ผู้อื่นไปศีลท่านก็รักษารักษาเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วก็ ก้าวขึ้นไปที่ศีลแปแล้วพอออกบวชท่านก็รักษาศีลสีิบเจการออกบวชนี้ก็เป็นการเจริญเนคขมะบารมีคำว่าเนคขมะแปลว่าออกจากกามาสุขคือจะไม่หาความสุขจากการเสกกามเช่นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น หรือจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการอย่างที่พวกเราทั้งหลายทํากันอยู่ทุกวันนี้พวกเรายังไม่มีเนธคัมมะบารมียังไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ยังไม่สามารถบวชอยู่วัดได้เพราะยังติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอยู่ยังอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อยากหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้เพราะอยู่คนเดียวแล้วมีความรู้สึกว่าเวเศร้าซ้อยหงอยเหงาต้องหาเพื่อนหาคู่เพราะอำนาจของกามกามตะตันหาหรือกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะพอไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะให้สัมผัสให้เสก ก็จะเกิดอาการว่าเว่ยเศร้าซ้อยหงาเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพยายามออกไปหารูปเสียงกลิ่น้นโพทธภพชนิดต่างๆมาเสกเหมือนคนติดยาเสกติดนี่คือเพราะการที่เราไม่ได้สะสมความดีให้แก่ใจนั่นเองถ้าเราพยายามตัด ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปแล้วเอาความสุขทางใจคือความสงบเข้ามาทดแทนต่อไปเราก็จะตัดได้ต่อไปเราก็จะออกบุญได้ถ้าเราฝึกทมสมาธิด้วยวิธีต่างๆท่านง่ายที่สุดก็คือการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเปิดเทศเปิดธรรมะฟังไปฟังแล้วใจก็จะเย็นจะสบาย หรือจะสวดมนต์ไปก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธไปหรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปหรือจะพิจารณาอาการส2สองก็ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงพิจารณาอยู่เรื่อยๆนึกถึงภาพเหล่านี้อยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ ร, รับรองได้ว่าใจจะสงบ ใจจะไม่รู้สึกมีความกำหนับยินดีไม่มีกรารมฉันทะที่จะมาสร้างความรู้สึกว้าเหวี่ยเาสร้สอยน้อยเหงาแล้วจะอยู่คนเดียวได้แล้วจะสามารถออกบวชได้แต่เราต้องบังคับเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เพราะตอนนี้ใจของเราถูกธรรมชาติคือกรารมฉันทะนี้เป็นตัวผลักดัน สั่งดันให้เราหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราต้องสุดทวนกระแสะเราต้องต้านกระแสะของความอยากในรูปเสียงกลิ่นต้นปุตตะเช่นเราอยากจะดื่มสุราเราก็ต้องห้ามใจไม่ให้ดืม่มอยากจะสูบบุหรี่ก็ต้องห้ามไม่ให้สูบอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ต้องห้ามอยากจะออกไปเที่ยวก็ต้องห้าม อย่าไหลาตามกระแสอันนี้ไปว่ามันจะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแต่ถ้าเราทวนกระแสของความอยากเหล่านี้ได้มันจะพาเราไปสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าทุกรูปพระอรหันต์ทุกรูปต้องทวนกระแสของกามนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะไปถึงพระนิพพานได้ ด้วยการไหลไปตามกระแสของการมฉชันท่าของความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรนพโผตพัต้องสร้างความไม่ยินดีให้เกิดขึ้นด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีความสวยงามอะไรหรอกเรามองไม่ทั่วเองเรามองไม่เห็นส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง ถ้าเราพิ จ, จารณาส่วนต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วต่อไปเราจะเห็นว่ามันไม่สวยไม่นา่าเราก็ไม่ต้องอยากจะออกไปเที่ยวออกไปก็ไปเจอแต่ผีดิบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไปไหนก็เห็นโครงกระดูเดินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพียงแต่มีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นเองแต่ความจริงก็เป็นผีทั้งนั้น เป็นถีดิบเป็นโครงกระดูกเดินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจะไปหาความสวยความงามจากโครงกระดูเหล่านี้ได้อย่างไรแต่เราไม่พิจารากันเราไม่มองกันเรามองแต่ผิวหนังที่หุ้มกระดกูก็เลยเห็นว่าสวยว่างานไปก็เลยอยากจะออกไปดูคนนั้นดูคนนี้กันแต่ความจริงแล้วเรากำลังดูผีดิบกัน นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาบรารมีเป็นสิ่งที่เราต้องทําตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำทั้งเนคข ม, มะทั้งปัญญาทั้งอุเบกขาบาลาีทั้งวิริยาบารานีความอุตสาความภาคเพียงที่จะสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นความจริง สอนใจให้เห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรให้ความสุขมีแต่จะให้ความทุกข์ความสุขที่ให้มานี้เป็นเพียงเลกน้อยเหมือนยาเหมือนน้ำตาลเครือบยาวขมพออมไปเดียวเดียวน้าตาก็ละลายไปหมดเหลือแต่ความขมขื่นเวลาแต่งงานกันใหม่ๆก็รักกันแทบจะ อยู่ห่างจากกันไม่ได้เลยแทบจะต้องหายใจพร้อมกันเลยแต่พออยู่ไปด้วยกันไม่นานก็ค่อยๆถอยออกห่างออกจากกันแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วเริ่มเห็นว่ามันก็ไม่ได้สวยไม่งามอย่างที่ตอนต้นเลยเพราะว่าไม่ได้คิดนั่นเองไม่ได้ใช้ปัญญาเราต้องพยายามใช้ปัญญา มีความภาคเพียรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยเช่นวันนี้ลองเอาเรื่องอาการ32นี้ไปทํากันเป็นการบ้านดูลองเอาไปคิดดูอยู่เรื่อยว่าจะสามารถมองคนอื่นให้เห็นอาการ32ของเขาได้หรือเปล่ามองทีไรเห็นโครงกระดูกได้หรือเปล่าถ้ามองได้แล้วต่อไปจะเกิดความเบื่อในทางรูปเสียงกลิ่นโน้นโพธภพ แล้วต่อไปจะอยู่บ้านเฉยๆได้จะไม่วุ่นวายจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยน้อยเหงาว้าเหวแต่อย่างใดจะมีความสุขมีความปลอดภัยเพราะไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัยเท่ากับบ้านของเราไม่มีที่ไหนที่จะให้ความสุขกับเราเท่ากับบ้านของเราแต่เราอยู่ไม่ติดบ้านกันเพราะเราถูกกระแสของการมฉัมทะความยินดีในกาม ผลักให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นลดทุนถ้าพัพอออกไปแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมกลับมาก็คอภาพกลับมามีความเศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนเดิมกลับมาเพียงเพื่อพักเอาแรงพอมีแรงแล้วก็ต้องออกไปต่อชีวิตของเราไม่เคยอยู่บ้านนานกว่าเท่าที่จำเป็นพอมีกำลังแล้วเติดขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบออกไปข้างนอกเสมอเพราะเราถูก อำนาจของกามะฉันทะผลักดันให้ออกไปนั่นเองจึงขอให้พวกเรามาดูแลรักษาใจกันด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลชนิดต่างๆทานศีลเนคขมะปัญญาเป็นต้นขอให้เราพยายามทำกันให้มากแล้วใจของเราจะเจริญจะมีความสุขมากขึ้น จะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆและหมดไปในที่สุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาจไรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันละสุขะภาละโดยทั่วหน้าการเธอ